แม่เรานี่ไม่เป็นบุคคลสำคัญเลยอาจารย์เฉลือมองไม่เห็นเราเลยพอไปกลับไปถึงบ้านโมโหแลเตะซ้ายเตะขวาไปเตะเสาบ้านเสาเรือระนาแข็งหักหมดท่านะเดี๋ยวมาหาหลวงพ่ออินโอ้หลวงพ่อไอ้หน่ะแข้งผมหักเลยจักหักเมียหนึ่งเรื่องไหนโอ้โหเลยแทมันโมโหข้น่อย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 ก็คือความชั่วอยู่หรือไม่อยู่ถ้าเราทำความดีก็คือกรรมดีเพราะนั้นอย่ามีที่รับอย่ามีที่แจ้งให้เชื่อตัวเองเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำรา น, นิพานเอ็นลูกหลานทุกองนะสัตธาญาิโยมทุกคนถ้าวันไหนพอมีเวลาก็อา้าครูบาที่ได้ฟังเอ3พสามหลวงพอ่อ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 ยังี้พเมื่อสําเร็จเป็นพระอรหันแล้วถ้าเออเราจะทําหน้าที่อะไรเพราะเรายัางน้อยหนุ่มนี่ยอ่ก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์จะขอเป็นมั ก, กธธุเทศอ่เป็นผู้แจกอาหารแจกพระอ่าแต่พอแจกอาหารแจกพระถ้าใครมานิมนต์เจดีย์มานิมนต์กษัตริย์มานิมนต์อ่าท่านก็จดจดจดจดจดเ จ, ด จ, ด จ, ดจด้าทลายร้อยองค์อ่าท่านก็จกใส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 ความอิจฉาของคนเน่มันไม่ใช่ธรรมดานะค่ะสัทายญาติโยมลูกหลานนขนาดทำดีขนาดไหนมันก็อิจฉามันก็ยังมีพวกเหนือกว่าตัวเองนะเออบานี้มีพระองค์นึงถงเนียชื่อพมเมกียะเป็นผู้มีกิเลสนะราคาโทสัตเต็มหัวใจเกินกว่าอีกนะไม่ใช่เต็มหมันล้นหัวใจมันทีนี้นก็เวลาพระพัทธปรมรรบุเจก๊์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 ไปองไปบ้านคนทุกคนจนใกล้ๆกว่าเป็นบุญวาดชนาบารมีของตัวเองไม่มองนะจุดนั้นไม่มองแ้เพราะตัวเองคงจะเคยกันแกล้งและเคยไม่เคยทำบุญไว้ในอดีตแต่ชาติมันก็ทะนี้ก็สังสมสังสมขึ้นมามากเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆขึ้นมาเนะี่ยถ้าพอพระธรรมบาลบุตรท่านก็ไม่รู้นะไม่รู้บอกองนะนั่นน่ะท่านก็ท่านมียานะ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 ไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางพิกุลนะีเมตตาาเนะี่ยที่ตีนเขาตีตีนเขาคิดจูดในเวลาเท่าวันนั้นวันนี้ในช่วงนั้นช่วงนี้คนหาเรื่องใช่ไหมล่ะก็ต้อง น, นั่นแต่ลืมคิดไปว่าลืมคิดไปตอนเวลาแปดนาฬิกาากาณ์อย่างเงี้ยกลืมคิดไปว่าในช่วงที่แปดนารกานะ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 พอมีพระโจดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีจำเลยพระพระพระท้าพระท้าพบุตรเป็นจำเลยแต่เน่ยมีขี้ยาเป็นโจทนะเนอทีนี้ก็นะเมตยาปิจุนีเป็นผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้เสียหายแต่นี้ก็พระพุทธเจ้าก็เ น, นี่ยนะให้พระอุปัรีเนะี่ย พระอุเบกเป็นผู้ชํานาญทางวินัยใช่ไหมในขไปนั่นก็นคือว่าเป็นพิพากษาเนี่ยเป็นอายการทําไมนั้นพิพากษาอายการคงอยู่ด้วยกันมั้ง hmm. เป็นผู้ชํานาญเกี่ยวกับกฎระเบียบ ว, วินัยท่านก็บอกเอาอุเบกไปตรวจสอบด้วยซิเรื่องราวเป็นยังไงเพรอุเบกคือเป็นเป็นลูกน้องของเอ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 ผู้เสียาหายโจลวก็ถามจำเลยว่าถ้าปะทับพมันระบุไปยังไงเอในขณะนั้นนอ่พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมผมแจกอาหารผมจัดอาหารอยู่ที่วัดป่าเวลุวัวนผมจัดอาหารอยู่เนี้ยผมจะไปทำอย่างงุ่นได้ยังไงใครเห็นไหมในช่วงนั้นสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นอ่าเป็นชักขีพยานให้ได้เนในขณะที่นั้น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 พระทัพพมรบุตรตอนนี้พระทัพพมรบุตรก็บอกว่าในขณะที่พระอุบาลีทำเป็นไงท่านทัพพมรบุตรท่านไปทําอย่างนั้นจริงไหมอันนี้คํานิ่โอ้เป็นคําคมที่ว่าชัดเจนประทัพพมรบุตรบอกว่าในเมื่อข้าไปเจ้าอายุเจ็ดขวบข้าไปเจ้าได้อายุเจดขวบ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 ท่านประกาศตัวของท่านเลยเอาความบริสุทธิ์คือพระหรหันต์ออกมาจืนยันเลยนั่นแหละนี่แหละคือคนกล้าเพราะตัวเองไม่ได้ทําจะไปไปเสีทกเสีทกสะท้านทำไมให้ท่านเป็นพระหรหันต์อีกต่างหากเลแม้ตลับข้าพระเจ้าก็ไม่เคยฝันถึงมันเลยเรื่องการมกิเลสจุดนั้นนี่อันนี้ก็คือผลในสุดก็เลยพระผุ่มมัตริรกาก็อ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 ก็ต้องบัญญัติจะต้องเอาเมื่อชุมชนสังคมเขายอมรับอย่างนี้เราก็เอาเถอะบัญญัติอย่างนี้ตัวอย่างตัวอย่างก็คือในครั้งพระพุทธจเจ้าของเราพ ร, พ, พระพุทธศาสนาเนี่ยต้นไม้ก็ดีดินก็ดีต้นไม้ก็ดีไม่มีวิญญาณพระพุทธเจา้าต้นไม้ก็ดีดินก็ดีไม่มีวิญญาณมันเป็นวัชพืช ธาตสี่มันรวมกันขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นไม้มันใหญ่ขยายขึ้นมาเพราะมันมีน้ามีปุ๋ยขึ้นมาแต่ไม่มีวิญญาณแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยกบเคียตแมลงทั้งหลายแหล่ที่มันกระโดดได้นันคือวิญญาณคือสัตว์เป็กสูแกล้งฆ่าสัตว์ที่ถ้าันต้องปาจิตตแต่ถ้าไปเป็กสูตายยาก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 เหมือนกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทอนี้เขาต่อต้านว่าพระไม่มีศออออิทธ่ะเออพราะพระองค์บอกโอ้ไม่ได้ประชุมสงฆ์นี่ประชุมสงฆ์ทำไมเพราะชาวบ้านเขาต่อต้านประกาศพระศาสนาครับ เ, รเขาว่าพระไม่มีศิท์จะมาสอนเขาได้ยังไงพระทำตัดต้นไม้ไดา้ยากพระองค์ทั้งที่พระองค์บอกว่า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 ของข้าพเจ้าโอ้เหตุมันออกมาจากข้าพเจ้านี่เองข้าพเจ้าจะยุดนะยุดเก้าเดินในจุดนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าอท่านเห็นว่าอันไหนมันเป็นเหตุนเอประกาศภาษาสนะไม่ไปคนไม่เชื่อถือพระพองค์ก็พิบัญญัติวินะัยนะห้ามไปสุภาคของเขียวซึ่งเกิดจากบที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตีนะีนะ่แหละสรุปแล้วก็คือท่านแคร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 ไปถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละทะปแล้วก็คือให้ใช้สติให้ใช้ปัญญารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางคนโบราณเขาให้สุภาษิตเนี่ยรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอันนกกาอาศัยซึ่งปีขางไปสู่ทางที่ประสงค์จงดังหมายไอ้คนโบราณไอเขาให้คำให้คำใ้สุภาษิตเอาไว้ฟังๆดูลมกระจิงนะ